บทที่ย2่ยาผีบอกคืนนั้นพระเจริญนอนปวดท้องทั้งคืนแม้ได้พยายามกำหนดปวดหนอปวดหนอแล้วแต่ก็ไม่ทำให้ทุกขเวทนาที่ได้รับคลายจางลงทั้งนี้เพราะกรรมที่ทำไว้กับไก่21ตัวนั้นหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่จะสามารถข่มเวทนาได้เนนตุ้ยคงต้องเหนื่อยล้ากับการเดินทาง จึงนอนหลับสนิทไม่รู้สึกกรุสาอยู่บนเตียงเล็กๆที่มีไว้สําหรับคนเฝ้าค่ายนอนเวลาหกโมงเช้าพยาบาลเข้ามาวัด่ายโดยนาปลอกอันเล็กๆมาให้ท่านอมบุรุษพยาบาลจับชิพจรจท่านพลางก้มดูนาฬิกาข้อมือเพื่อจะได้รู้ว่าหัวใจท่านเต้นกี่ครั้งต่อนอาทีได้ยินหมอว่าผ่าตัดวันนี้ใช่ไหม บุรุษพยาบาลถามนางพยาบาลด้วยเสียงที่ค่อนข้างเบาถูกแล้วกำหนดเข้าห้องผ่าตัดเก้าโมงเชา้าพยาบาลสาวตอบจากนั้นทั้งพยาบาลและบุรุษพยาบาลก็ออกจากห้องเพื่อไปดูแลคนไข้รายรอื่นต่อไปเห็นคนทั้งสองออกไปแล้วพระเจริญจงลุกขึ้นนั่งท่านต้องหนีออกจากที่แห่งนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ เรื่องอะไรเราจะมาตายที่นี่กลับไปตายที่วัดดีกว่าอย่างน้อยญาติโยมเขาก็จะได้เห็นหน้าเราบ้างท่านคิดแล้วก็ปลุกเนนตุ้ยให้ตื่นมีอะไรหรือครับหลวงพ่อเนนตุ้ยลุกขึ้นนั่งแล้วจึงถามกลับวัดกันเถอะเมื่อวานหมอเขาคุยกับลูกศิษย์ว่าฉันไม่รอดแน่ญาติโยมจะไม่เห็นหน้าฉันแล้ว ก็จะขอกลับไปตายที่วัดท่านบอกสมณเณรวัสิบเก้าผมว่าอยากกลับเลยครับอาจจะไม่มีอะไรร้ายแรงอย่างที่เขาพูดก็ได้ผมเชื่อเหมือนที่โยมหล่อเชื่อว่าหลวงพ่อเป็นคนมีบุญญาธิการคงไม่มรณะภาพง่ายๆหรอกครับคนเป็นเนนพูดให้กำลังใจนี่เธออย่ามาทำเก่งกว่าหมอหน่อยเลย หมอเขาดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์บอกว่าไส้ชั้นเน่าไปตั้งหลายฟุตยังไงยังไงก็ไม่รอดแน่เธอพาฉันกลับวัดเดี๋ยวนี้แหละสมภารสั่งลูกวัดรอโยมหล่อมารับดีไหมครับผมว่าสายๆายคงมาถึงเนนตุ้ยออกความเห็นนายหล่อกลับไปเมื่อวานบอกว่าวันนี้จะพาแม่ประยงมาเยี่ยมไข้ ถ้ารอให้ถึงเวลานั้นหมอเขาก็พาตัดเสร็จแล้วฉันก็ตายไปเรียบร้อยแล้วแต่ฉันอยากกลับไปให้ญาติโยมเขาเห็นหน้าก่อนตายเข้าใจหรือยังเอาละถ้าเธอไม่พาฉันไปคนเดียวก็ได้พูดพลางหย่อนเท้าลงข้างเตียงเพื่อจะลงเนนตุยรีบเข้าไปประคองท่านมานั่งที่เตียงของตน เมื่อเห็นว่าไม่อาจทัดทานท่านไว้ได้สมณเณรวัย19จึงต้องพาสมภารกลับพยาบาลและผู้ช่วยกำลังสารวนอยู่กับคนไข้ารายอื่นๆจึงไม่ทันได้สังเกตบรรพชิตสองรูปที่เดินลัดเลา ะ, ะลงจากตึกไปถึงเวลาผ่าตัดแหละจึงได้รู้ว่าคนไข้หนีกลับไปแล้วความที่อยากกลับวัดทำให้พระเจริญลืมความเจ็บปวดที่ทาให้ท่านทุกข์ทรมานอยู่ในขณะนั้น รีบพาเนนหลบออกมาจนได้พระกับเนนพากันมาถึงท่าน้ำจึงโดยสารเรือข้ามฟากมาลงที่ท่าพระจันทร์แล้วเรียกรถตุ๊กตุกให้พาไปส่งที่ท่าเตียนทันเวลาเรือพงประจักษ์ออกจากท่าพอดีขณะนั่ง เ, เรือสมพานวัยสามสิเศษต้องเผชิญกับทุกขเวทนาอีกพยายามปลอบใจตนเองว่า เออน่าพอกลับไปให้ญาติโยมก็เห็นแล้วข้าก็ขอลาตายละไม่ยอมให้เองมาทรมานข้าอย่างนี้อีกรอกเมื่อสมภารวัดป่ามะม่วงกลับถึงวัดนายหลอกับแม่ประยงมารออยู่ที่กุฏิแล้วแมมหลวงพี่ไม่น่าทำอย่างนี้เลยผมถูกหมอเ้าต่อว่าแทบแย่นี่เขาก็ให้ผมมารับกลับไปโรงพยาบาลอีก หลวงพี่ขึ้นรถกลับเถอะครับคนเป็นคฤรืหัสมงการข้าไม่ไปข้าจะขอตายที่วัดเองอย่ามาบังคับข้าจะให้ยากเลยจ้างก็ไม่ทำตามต่อให้พระอินตั ว, เ ข, วเขียวมาสั่งข้าก็ไม่ไปสมภารปฏิเสธเสียงดังฟังชัดหลวงพี่ไปเถอเจ้าค่าอย่าให้หมอเขาต้องผิดหวังเลย ได้ยินว่าโรคที่หลวงพี่เป็นน่ะประหลาดมหัศจรรย์มากเขาบอกจะได้เอาไว้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนแพทย์ศึกษาแล้วหลวงพี่ก็จะมีชื่อเสียงแม่ประยงพูดบ้างอัตมาไม่อยากมีชื่อเสียงหรอกนะโยมยังไงยังไงอัตมาไม่ยอมไปโรงพยาบาลเด็กขาดเอาละอัตมาขึ้นไปพักผ่อนนะท่านไล่อคันทุ ก, กะทางอ้อม หลวงพี่ไม่ยอมไปจริงๆหรือหลวงพี่ไม่ยอมไปจริงๆหรือนายหลอถามเสียงอ่อนลงไม่ไปเองกลับไปทำงานทำการของเองเถอะไว้ขาดตายค่อยมาช่วยทำศพอาตมาต้องขอโทษเดยนะที่ทำให้ต้องลำบากประโยคหลังท่านพูดกับแม่ประยงจากนั้นจึงเดินอย่างเชื่องช้าขึ้นไปยังบนกุฏิชั้นบน โดยมีเนนตุ้ยเดินตามหลังนายหล่อพาแม่ประยงกลับบ้านด้วยความผิดหวังใจหนึ่งก็นึกเป็นห่วงหลวงพี่แต่อีกใจหนึ่งก็โกรธที่ท่านไม่ยอมไปโรงพยาบาลแต่ถึงอย่างไรเขาก็เชื่อมั่นว่าท่านจะต้องไม่มรณะภาพชดใช้กรรมหมดเมื่อไหร่มื่อนั้นคงจะหายเป็นปกติ วันรุ่งขึ้นมหาเทียบมาที่วัดก็ทราบข่าวจากในลลอแม้จจลาศิขาบทมากกว่า20ปีและมีตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาหัวหนาสารจังหวัดสิงห์บุรีแต่คนก็ยังเรียกกันว่ามหาเพราะจบปริญยนธรรม6ประโยคสมัยที่ยังเป็นบรรพชิตได้ข่าวว่าท่านสมพานอาพาธผมเลยมาขอเยี่ยมอดีตมหาบอกเนนตุ้ย แท้จริงเขาตั้งใจจะมาปรุงยาให้ท่านฉันเชิญข้างบนเลยโยมมหาหลวงพ่อท่านเพิ่งลงมาสงน้าและขึ้นไปเมื่อสักครู่ผมสงสารท่านเหลือเกินแต่ก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรหมอเขาจะผ่าตัดให้เมื่อวานท่านก็ชิงหนีกลับวัดมาก่อนโยมหล่อมารับพากลับไปอีกท่านก็ไม่ยอมไปสมณเณรวัยสิบเก้าฟ้องไกลๆกล ไม่เป็นไรหรอกครับผมทราบเรื่องจากนายหล่อหมดแล้วนี่ก็เตรียมเกลือป่อนมาปรุงยาให้ท่านรับรองฉันยาผมแล้วหายขาดเคยรักษามาหลายรายแล้วงั้นก็ดีนะสิรีบขึ้นไปหาท่านเดี๋ยวนี้เลยพูดจบจึงเดินนำบุรุษวัยห้าสิบเศษขึ้นไปชั้นบนท่านสมพาน์เป็นอย่างไรบ้างครับมาหาเทียบถาม หลังจากทำความเคารพด้วยการกราบสามครั้งแล้วทรมานอย่างที่สุดเลยยมมหาปวดแสนจะปวดโรคกระเพาะยังไม่ทันจะหายก็มาเป็นโรคลาไส้อีกหมอเ็าบอกว่าไส้เน่าไปหลายฟุตแล้วไม่รู้อะไรนักหนาความวัวไม่ทันจะหายความควายเข้ามาแทรกคิดแล้วหน้าน้อยใจในโชควาสนาอย่าน้อยใจเลยครับท่าน วันนี้มาหาเทียบมาปรุงยาให้ท่านฉันรับรองว่าหายนี่ผมเตรียมป่นเกลือมาเรียบร้อยแล้วงั้นเหรอจะปรุงยาอะไรให้อัตมาฉันละ่ะยาเทวดาครับแต่ว่าต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนคิดว่าที่โรงครัวคงจะมีนะเนนไปบอกแม่ชีให้เตรียมมาให้ผมหน่อยเขาบอกเนนตุ้ยมีอะไรบ้างล่ะโยมมหา มีหม้อ ด, ดินหนึ่งใบไข่ขาวห้าฟองทุบใส่ชามมาเอาแต่ไข่ขาวนะไข่แดงไม่เอาสองอย่างเท่านี้แหละเนนช่วยไปเตรียมมาเดี๋ยวนี้เลยเนนตุ้ยหายไปครู่ใหญ่ๆก็กลับมาพร้อมสิ่งของที่มหาเทียบต้องการแม่ชีเจียนเป็นคนจัดหาให้ต้องไปทำพิธีปรุงในโบส์ ท่านไปไหวไหมครับเขาถามภิกษุอาพาธไหวหรือไม่ไหวก็ต้องไปจนได้นั่นแหละอาตมาไม่มีทางเลือกแล้วนี่พระเจริญตอบพลางลุกขึ้นนั่งด้วยความลำบากต้องให้เนนช่วยพยุงไหมครับหัวหน้าสารไวเยเกษมถามไม่ต้องอัตมาใช้กรรมฐานเข้าช่วยท่านกําหนดลุกหนอในใจขณะลุกขึ้นยืน แล้วจึงกำหนดยืนหนอเมื่อก้าวเท้าเดินก็กำหนดอิริยาบถจริงในขณะนั้นเข้ามาในโบสถ์แล้วมหาเทียบจึงบอกวิธีปรุงยาโดยให้พระเจริญหยิบเกลือป่นที่เขาเตรียมมาท่านหยิบทีละหยิบมือนะครับเวลาหยิบให้กลั้นใจบริกรรมว่าพุทธังปัจจคามิแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อ หยิบที่สองก็กลั้นใจบริกรรมว่าทำมังปัจจคามิแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อหยิบที่สามกลั้นใจบริกรรมว่าสังฆปัจจขามิแล้วก็ใส่ลงไปในหม้ อ, มมจจมมอภิกษุอาพาธาตามคฤหัตบอกเมื่อท่านหยิบเกลือใส่ลงในหม้อดินครบสามหยิบมือแล้วมหาเทียบจึงยกหม้อขึ้นตั้งเตา ซึ่งเนนตุ้ยก่อไฟจน่านคู่ดีแล้วจัดการสตุกเกลือจนบริสุทธิ์จากนั้นจึงยกหม้อลงจากเตานำไข่ขาวห้าฟองใส่ลงไปคนให้เข้ากันขณะคนเขาบริกรรมว่าพุทธังปัจจขามิทำมังปัจจขามิสังคังปัจจขามิทำเสร็จเขาจึงตักมาหนึ่งช้อนขาวส่งให้ภิกษุอาพาธ ฉันเลยนะครับผมเห็นต้องลามิทุระด่วนเขากราบสามครั้งท่าทางเร่งรีบและลุกออกไปขึ้นรถจิบขับออกประตู ว, วัดไปสมพาวรวัยสามสิบเศษฉันยาตามที่หัวหน้าสารสั่งพอยาตกถึงท้องอาการปวดกทวีขึ้นซักร้อยเท่าถึงกลับลงนอนดิ้นและสลบไปสามชั่วโมง เนนตู้ยเฝ้ารอให้สมพานฟื้นฆ่าเวลาด้วยการเดินจงกรมและนั่งภาวนาครบสามชั่วโมงสมพานจึงลืมตาและเรียกหาท่านหลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างครับถามอย่างเป็นห่วงรู้สึกโล่งใจขอน้ำให้ฉันซักถ้วยสิรอเดี๋ยวครับผมจะไปเอาที่กุฏิ พูดจบก็เดินกำหนดซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเ ร, เร็วๆไปยังกุฏิได้น้ำแล้วจึงเดินกลับมายังโบสถ์พระเจริญกำหนดลูกหนอขณะลุกนั่งรับถ้วยน้ำชาจากเนรแล้วดื่มไม่มีอาการปวดแสบปวดร้อนเหมือนเมื่อวันก่อนท่านรู้ได้ทันทีว่ายาเทวดาสามารถรักษาโรคลำไส้เน่าให้หายได้เอาละ ข้ อ, อยังชั่วแล้วทีนี้จะปฏิบัติกรรมฐานใช้นี่ไก่ละท่านบอกสมณนเณรวัยส1บหลวงพ่อจะเดินจงกรมไหมครับเดินสิจะเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงจากนั้นจะกรวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรผมจะปฏิบัติเป็นเพื่อนนักครับเผื่อหลวงพ่อเกิดเป็นลมเป็นแรงไปจะได้ช่วยทัน รับรองฉันไม่เป็นอย่างที่เธอวิตกรอกฉันมั่นใจเช่นนั้นเอาละถึงอย่างไรก็ต้องขอบใจที่เป็นห่วงฉันขอปฏิบัติคนเดียวเงียบๆเธอไปทำความสะอาดกุฏิดีกว่าเมื่อสมภารสั่งมาอย่างนี้คนเป็นลูกวัดจึงต้องปฏิบัติตาม สมณเณรไปแล้วสมภาวรวัยสามสิบเศษจึงเริ่มเดินจงกรมเพิ่งตระหนักชัดในบัดนี้เองว่าการปฏิบัติของท่านยังไม่เข้าขั้นจึงไม่สามารถขม่มทุกขเวทนาได้ถึงกระนั้นท่านก็ได้เห็นอนิสงของกรรมฐานเพราะหากไม่เคยปฏิบัติมาก่อนป่านนี้คงมอดม้วยมรณาชีวาวายแวบ เป็นปลาแปรปิ้งไปแล้วสองชั่วโมงผ่านไปพระเจริญกำหนดจิตออกจากกรรมฐานแล้วตั้งจิตกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรคือไก่21อ็ดตัวฝูงนั้นกรรมโนกัตถานโนกรรมะจัตเจกะพุทโธพุทธังทั่วทั้งจักรวาฟังพุทธังทั่วทั้งจักรวาลังธรรมังทั่วทั้งจักรวาลัง สังขังทั่วทั้งจักรวาลังอโหสิกรร ม, มข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวททั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบนนุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาแก่ข้าพเจ้าด้วย อ, อำนาจบุญนี้ด้วยเทินตกเกย็นมหาเทียบมาฟังข่าวเมื่อเผชิญหน้ากับสมพานเขารีบออกตัวว่าต้องขออภัยที่เมื่อเช้าผมรีบกลับไปความจริงก็ไม่ได้มีธุระประปังอะไรเพียงแต่ไม่อยากอยู่ดูท่านฉันยาทำไมละโยมหาเจ้าของกุฏิถาม ผมกลัวว่ามอดินมันจะบินมาโดนหัวผมนะครับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลตอบยิ้มยิ้มไม่แน่เหมือนกันนะถ้าโยมมาหาไม่รีบกลับออกไปก่อนอัตมาจะต้องเป็นชิ้นที่ว่าสมพานตอบยิ้มยิ้มเช่นกันถึงตอนนี้แล้วท่านยังนึกอยากจะเขียงผมด้วยมอดินอีกรูปล่าครับคนถามตั้งใจสัพยอกเขียงก็คือคว้าง อาตมาจะทำอย่างนั้นกับผู้มีพระคุณได้อย่างไรโยมมหามีบุญคุณกับอาตมามากชาตินี้จะไม่ลืมบุญคุณเลยขอให้จำเริญจำเริญนะโยมสมผานไวยสาสิบเศษให้พรเจ้าตํหรับยาเทวดานับแต่วันที่ฉันยาเทวดาของมหาเทียบและฉันติดต่อกันเป็นเวลาเจ็ดวัน ประกอบกับปฏิบัติกรรมฐานกรวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรอาการปวดท้องก็หายเป็นปริทิงโรคกระเพาะที่เป็นอยู่แต่เดิมก็พรอยหายไปด้วยพระเจริญจึงมีสุขภาพดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมีเรี่ยวแรงที่จะทำงานให้กับพระศาสนามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะงานสอนกรรมฐานโดยเฉพาะงานสอนกรรมฐานให้กับญาติโยม วันพระนี้นางโถ ổ, ไม่ได้มาวัดแต่ผู้เดียวเช่นเคยหากมีสตรีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันมาด้วยนางแนะนำกับพระเจริญว่าแม่เอมเพื่อนเก่าของอิชันเจ้าค่ะเมื่อก่อนอยู่บ้านตะบนเดียวกันตอนหลังเขาแต่งงานไปอยู่กับครอบครัวที่พิจิตรจากกันไปยี่สิบกว่าปีเพิ่งมาเจอกันนี่แหละอิชันก็เลยชวนมากราบท่าน อยากให้เข้ามาเรียนกรรมฐานกับท่านเจ้าค่ะเออแล้วยมอยู่พิจิตเป็นยังไงบ้างอุดมสมบูรณ์เหมือนเมืองสิงห์บ้านเราไหมท่านถามนางเอมก็ดีเจ้าค่ะแม้อิชันมัวเลี้ยงลูกจนไม่มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านเกิดนี่ลูกสาวสองคนก็แต่งงานแต่งการไปแล้วเลยได้กลับมาเยี่ยมบ้านอิชันได้ลูกเขยสองคนแล้วเจ้าค่ะเป็นหมอคนหนึ่ง ครูคนหนึง่งคนเป็นแม่ยายหมัดมาดพูดเหมือนจะอวดโอ้โหดีจังเลยโยมโชคดีมากนะที่มีลูกเขยทำงานดีๆอีกหน่อยคงรวยมหาศาลจะรวยได้ยังไงล่ะท่านอีฉันมองไม่เห็นทางว่าจะรวยได้นางเอมกังขาอ้าวก็ลูกเขยเป็นหมอเป็นครูไม่ใช่หรือเจ้าค่ะ แต่เขาไม่ได้เป็นหมอแพทย์แล้วก็ไม่ได้เป็นครูสอนหนังสือเจ้าค่ะงั้นเป็นอะไรล่ะเคยคนโตเป็นหมอตอนควายคนรองก็เป็นครูกรองยาวเจ้าค่ะนางเอมตอบเสียงดังฟังชัดพระเจริญได้ยินแล้วอยากจะเป็นลมโยมเอมนะโยมเอมอุตส่าห์คุยว่าลูกเคยเป็นหมอกับเป็นครูแท้ที่จริงหมอตอนควาย กับครูกรองยาวผุดโถผุดทังอนิจจังอนิจจา